ไทยเรานะมีนิสัยที่ชอบทำบุญนะเป็นเรียกว่าเป็นประเพณีเลย ก, ก, ก็ว่าได้นะไม่ว่าจะถ้าเป็นเรื่องการทำบุญแล้วก็นะเต็ม ท, ต ท, นะที่ไปต่างประเทศเนยเวลาพระนี่ไปต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่ญาติโยม นึกถึงก่อนเป็นอย่างแรกคือการทำบุญไม่ว่าที่ไหนก็ตามเออเราพูดถึงการทำบุญเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนึกว่าเออจะไปทำบุญที่ไหนดีที่วัดไหนทำบุญกับพระรูปไหนดีนะ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยนึกถึงเรื่องการทำบุญที่ใจเนี่ยนึกถึงว่าแต่จะไปทำบุญที่วัดนั้นวัดนี้พระรูปนั้นรูปนี้ซึ่งก็ดีนะมีอา น, นิสงส์แต่ว่าการทำบุญที่ใจนี้ก็อย่ามองข้าม ทำบุญที่ใจนี่หมายความว่าอย่างไรนะจะพูดสั้นๆคือว่าก็ทำใจให้เป็นบุญนั่นแหละนะหลายคนเวลาไปทำบุญกับถวายทานที่วัดนั้นวัดนี้เนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูแลจิตใจให้เป็นบุญเท่าไหรนะนะ่เช่น ระหว่างที่ทำก็จิตใจก็กังวลนะกังวลว่าหลวงพ่อจะฉันอาหารของเราไหมจะห่มจีวรที่เราถวายหรือเปล่าหรือบางทีก็คอยดูว่าคนอื่นเขาจะถวายมากกับเราไหมถ้าเขาถวายมากกับเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจนะ ถวายไปใจก็หม่นหมองนะอันนี้เรียกว่าใจนี้ไม่เป็นบุญละถึงแม้ว่ากำลังทำบุญอยู่ก็ตามมันทีทำก็ใจิตใจไม่เป็นสมาธิก็คอยดูว่ามีช่างกล้องมาถ่ายรูปตอนที่เราถวายอาหารประเคนของหรือเปล่านะ ไปกังวลแบบนั้นซใจก็ไม่ผ่องใสนะอันนี้ก็เรียกว่าใจิตใจไม่เป็นบุญเท่าไหร่ทำใจให้เป็นบุญไม่มีความหมายถึงว่าทำให้ใจของเราเนี่ยปลอดจากกิเลสนะปลอดจากเครื่องเศร้าหมองนะทำให้ใจของเราผ่องใสเบิกบาน ไม่ว่าจะเป็นช่วงระหว่างทาบุญหรือว่าดัชนนชีวิตประจำวันก็แล้วแต่ถ้าเราปล่อยใจให้เศร้าหมองนะกลัดกลุ้มรุ่มร้อนนะอันนั้นก็เรียกว่าใจเราเนี่ยกำลังเป็นบาปนะหรือว่ากำลังมีอกุศลครอบงำ ทำอะไรต่ออะไรมากมายนะแต่ปล่อยใจให้เศร้าหมองนะหนักอกหนักใจรุ่มร้อนอิจฉาพยาบาทนะนนั้นก็เรียกว่าเรากำลังละเลยหน้าที่ของเราละนะหน้าที่ต่อจิตใจรนะวมทั้งหน้าที่ในนะที่เป็นชาวพุทธนะนะต้องหมันทำบุญที่ใจตนด้วย ทมใจให้เป็นบุญรวมทั้งทาสิ่งดีๆหาสิ่งดีๆมาให้กับจิตใจของเราหลายคนนะ่ะขนขวายในการถวายของประนีกับพระสงฆ์นะโดยพระครูบาอาจารย์ของดีของประนีกนะ็หามาลำบากแค่ไหนก็หามาถวายจนได้แต่ว่า อาจจะละเลยนะในการที่จะเอาสิ่งดีๆมาให้กับจิตใจของเราสิ่งดีๆที่ว่านั่นคืออะไรนะมันไม่ใช่ของมันไม่ใช่อาหารที่อร่อยไม่ใช่เพลงที่เพราะอันนั้นมันก็อย่างมากก็ให้ความสุขชั่วคราวแล้วก็บ่อยครั้งก็สิ้นเปลืองด้วยนะ การรู้จักหาสิ่งดีๆมาให้กับจิตใจของเรามันไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรยกตัอย่างเช่นการที่ให้ใจเราได้สัมผัสกับธรรมะได้ฟังธรรมบ้างนะการฟังธรรมตา ม, ตามกาลข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดนะอย่างที่เราได้ส่วนมาสักครู่นะ การนะธรรมสวนังเอตัมมังคลมุตตัมมังการฟังทำตามการข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเอาคนไทยนะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยน ะ, ะถ้าพูดเรื่องการถวายอาหารพระเนี่ยทำเต็มที่เลยนะสมัยที่อาจารมาอยู่วัดอมรวดีที่ที่ประเทศอังกฤษนะ เมื่อสักยีสบปีก่อนเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีคนไทยนะตามเมืองต่างๆโดยเฉพาะจากลอนดอนเนี่ยไปถวายนะเพลงอาหารอย่างดีเลยพวกเราที่เป็นพระนี่พอรู้พอถึงวันเสาร์อาทิตย์ก็รู้แล้วว่าจะได้ฉันอาหารที่ประณีตนะถ้าเป็นวันธรรมดาก็อาหารก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่ อเตรียมท้องไว้ได้เลยนะเพราะว่าคนไทยมาถวายเยอะนะแต่พอถวายเสร็จถึงเวลาบ่ายโมงนะพระจะแสดงธรรมคนไทยก็หายหมดเลยเหลือแต่ฝรั่งนะฝรั่งนี่ก็มาฟังธรรมฝรั่งที่มาว่าตัวเปล่านะไม่ได้มีอาหารที่จะมาถวายพระเท่าไหร่แต่เขาอยากจะมาฟังธรรม นอกจากได้ทานอาหารฟรีแล้วนี่ยังได้ฟังธรรมแล้วก็ได้นั่งสมาธิด้วยแต่พอถึงเวลาฟังธรรมรวมทั้งนั่งสมาธิคนไทยเหลือน้อยมากนะยิ่งถ้ามีคอสปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงพ่อซุมเมโตเนี่ยท่านก็ตั้งใจนะอยากจะจัดคอสให้คนไทยมาปฏิบัติห้าวันเจ็ดวันแต่ก็ มักจะไม่ค่อยสำเร็จนะเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยมาแต่ฝรั่งนี่มากันเยอะนะเข้าคิวกันจองคิวกันเป็นเดือนเดือนล่วงหน้านั่นคือยสิบปีที่แล้วนะแต่ทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะไปเยี่ยมวัดสาขาของหลวงพ่อซูเมโทนะที่ประเทศสวิสวัดธรรมปาละ ที่เมืองคุนเดนสเต็กเนี่ยคุนเดนสเต็กนะทื่ทัดสวยงามมากนะอาจจะหาวัดที่วัดทางพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาทที่มีที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่สวยงามนี่หายยากแบบท่าวัดนี้นะมองกักไปก็เห็นเขายอดเขามีหิมะปกคลุมขาวพโพลนสองข้างก็เป็นอเป็น เป็นเขานะ่แต่ว่าเตี้ยหน่อยก็มีต้นไม้เขียวขจีสวยงามเจ้าว่าท่านก็บอกว่าคนไทยก็ก็มาเหมือนกันนะก็มาเยอะด้วยนะโดยเพราะจะเป็นการทอดพระปาทอดกระถิ่นหรือว่ามาทำบุญถวายสังทานแต่ว่าถ้าพูดถึงการฟังธรรมหรือว่าการปฏิบัติทำเจริญสติสมาธิแล้วนี่น้อยนะ อันนี้ก็คือเมื่อไม่นานมา น, นี้เองนะอันนี้ก็เรียกว่าอะละเลยนะในการทำบุญที่ใจละเลยในการที่จะนะมอบสิ่งดีๆเป็นทานให้กับจิตใจของตนนะส่วนใหญ่ไปควนขวายในการหาของดีของแพงมาให้กับร่างกาย อาหารที่แพงเสื้อผ้าที่หรูระเย็บนะหาบ้านมาให้นะคุ้มหัวทำความสุสะดวกสบายให้กับร่างกายของตนนะแต่ว่าจิตใจนะไม่ค่อยคิดที่จะหาสิ่งประณีตมา ดูแลรักษาเกื้อกูลจิตใจเท่าไหร่สิ่งเป็นนี่สำหรับใจนะมันก็คือธรรมะนั่นเองคือบุญกุศลนะเปิดใจของเรานะให้ได้ฟังธรรมะบ้างนะและขณะเดียวกัน ก, นก็เสริมสร้างธรรมะให้กับจิตใจของเรา ด้วยนะไม่ใช่แค่เฉพาะฟังทำอย่างเดียวการที่เรามาเจริญสติเนี่ยสมาธิก็คือการทีนะ่หาของดีมาให้กับจิตใจของเราของดีสำหรับจิตใจเนี่ยนะเช่นสติหรือสมาธิเนี่ยมันมีคุณมีอนิสงส์มากทีเดียวพอเมื่อมีสตนะิก็เท่ากับว่า มีของดีมารักษาใจนะพระเครื่องนะพระเครื่องวัตถุมงคลนะถ้าดีจริงนะมันก็ดีเฉพาะในการรักษาร่างกายให้ปลอดภัยนะแต่ว่าไม่สามารถจะช่วยรักษาใจให้หายทุกได้แต่สตินี่แหละนะวิเศษกว่าพระเครื่องนะ ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามแม้แต่พระขุนแผนนะหรือว่าสมเด็จวัลระครังเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะรักษาใจของเราให้เป็นสุขปล่อจากความทุกข์ได้ดีเท่ากับสติหรือสมาธิรวนั้งความรู้สึกตัวด้วยนะ เราต้องหมั่นนะขนขวายในการที่หาสิ่งเหล่านี้มาให้กับจิตใจของเราแต่เป็นมัวแต่ดิ้นลนไปหาพระเครื่องนะราคาแพงๆดันดนไปวัดไหนบางทีก็ไปถึงโนนแม่ห้องสอนนะไปไกลเหลือเกินขนเงินไปนะมากมายเพื่อที่จะได้นะพระเครื่อง วัตถุมงคลมาคุ้มของร่างกายนะแต่ว่าจิตใจก็ปล่อยปะาละเลยสตินี่เป็นเครื่องรักษาใจที่วิเศษมากเนะพราะไม่มีสตินั่นแหละนะผู้คนถึงมีความทุกข์กลุ้มอกกลุ้มใจนะหรือว่ามีความโกรธแค้นเศร้าโศกอิจฉาพยาบาทสารพัด พอไม่มีสติรักษาใจนะปล่อยให้ใจนะถูกกลุ่มรุมทำ้ายนะสตินี้เปรียบเหมือนกับยามนะที่รักษาประตูเมืองสร้างกำแพงเอาไว้สูงแน่นหนายังไม่พอนะพอจุดอ่อนที่สำคัญของเมืองก็คือประตูนั่นแหละกำแพงนี่มันปิดตาย แต่ประตูนี่มันเข้าออกได้ท่านจึงต้องมีทหารยามนะที่คอยเฝ้ า, าไว้จิตใจเราก็เหมือนกับนครเหมือนกับเมืองนะที่มันมีประตูที่ศัตรูจะเข้าได้นะไอ้ทวารทั้งหกนั่นแหละทวารนี่ก็แปล ป, ประตูทวารทั้งหกนั่นแหละนะคือจุดอ่อนหรือช่องว่างนะที่ ศัตรูจะเข้ามาเล่นงานจิตใจเราศัตรูได้แก่แก็ได้แก่กิเลสได้แก่ความทุกข์นะได้แก่อารมณ์เศร้าหมองหรือว่าไฟแห่งความโกรธนะไฟนี่มันเผาบ้านเผาเมืองชันใดความโกรธมันก็เผาใจนะอันนี้ทวารทั้งหกนี้ก็ต้องมีนะ ยามที่คอยรักษานั่นคือสตินะไม่มีสติใจเราก็มีจุดอ่อนเยอะแล้วที่ทุกนะที่กำลังทุกอยู่ขณะ น, นี้หรือว่าที่เคยทุกแล้วกำลังจะทุกต่อไปเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สร้างสตินะให้มาดูแลจิตใจใหการเจริญกรรมฐานเนี่ยหรือว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ย นะก็คือการทำบุญที่ใจอย่างหนึ่งนะเราเป็นการทำบุญที่มีอ น, นิสงส์มากด้วยนะมันจำเป็นมากเลยนะที่เราจะต้องหมั่นมาดูแลจิตใจนะนะคอยปัดกวาดให้สะอาดนะคนที่ไปทำความสะอาดตามวัดต่างๆนะไปวัดไหนก็ทำความสะอาด นะดูแลวันนั้นอย่างดีแต่ที่บ้านของตัวเนี่ยกลับปล่อยให้สกปรกบางทีปล่อยให้พ่อแม่ทำนะซักผ้าทำความสะอาดบ้านปล่อยให้พ่อแม่ทำนะแต่ว่าตัวลูกนี่ไปนะทำบุญตามวัดต่างๆแล้วก็ดีใจนะกลับมาก็เอาบุญมาฝากพ่อแม่แต่ว่าไม่เคยช่วยงานพ่อแม่เลยนะ หรือว่าไม่เคยดูแลบ้านของตนจริงจังปล่อยให้เป็นภาระของพ่อแม่อันนี้มันก็ไม่ดีนะไอ้ที่และที่ไม่ดีพอๆกันก็นคือว่าไม่สนใจปัดกวาดดูแลจิตใจของตัวเองปล่อยให้รกนะปล่อยให้รกปล่อยให้สกปรกเสร็จแล้วสัตว์ร้ายนะพวกมแมลงพวกงูตะขาบหนู มันข้อเข้ามาอาศัยนะไม่ต้องพูดถึงมแมลงสาบนะอันนี้ของตาอยู่แล้วทำอย่งางงั้นนี่ก็เรียกว่านะทําร้ายจิตใจตัวเองนะเพราะว่าจิตใจพอไม่ได้รับการดูแลแล้วเนี่ยนะสัตว์ร้ายอันตรายต่างๆก็มาปรากฏขึ้นกับจิตใจของเราทําร้ายจิตใจไม่พอนะมันก็ทําร้ายร่างกายด้วย คนที่โกรธนะคนที่มีความพยาบาทเนี่ยสุขภาพก็ไม่ดีนะความดันขึ้นปวดหัวปวดท้องสารพัดนะบางทีก็เกรงไปทั้งตัวโดยที่ไม่รู้สาเหตุแลพวกนี้เนี่ยพอสาวไปจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เพราะความผิดปกติทางร่างกายแต่เป็นเพราะว่าจิตใจเนี่ยถูกความโกรธเนี่ยมันเผาล่น อันนี้ก็เรียกว่าไม่รักษาตัวนะเรียกว่าไม่รักไม่รักตัวเองนะถ้าไม่รักษาใจแล้วเนี่ยมันกลายเป็นโทษของตัวเองคนผู้คนจนวนมากนี่แม้จะบอกว่ารักตัวเองรักตัวเองเนี่ยแต่ว่ากลับทําร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวด้วยการปล่อยจิตใจนะให้ให้กิเลสนะให้ความทุกข์เข้ามาครอบงำไม่ค่อย ปัดกวาดดูแลจิตใจหรือว่านำสิ่งดีๆมาให้กับใจของตัวเองเท่าไหร่เวลาพูดว่าธรรมทานเนี่ยนะธรรมทานเนี่ยคือการให้ทำเป็นทานเนี่ยคนก็มักจะนึกถึงการให้ทำเป็นทานแก่ผู้อื่นนะเราคงทราบู่แล้วว่าธรรมทานนี้เป็นเลิศ ก, กว่าการให้ทำทั้งปวงจะให้ทานด้วยวัตถุอยางไงเนี่ยก็ไม่ เลิกเท่ากับการให้ธรรมทานแต่ว่าธรรมทานเนี่ยมันไม่ได้หมายความเฉพาะนะพิมพ์หนังสือหรือว่าปั๊มซีดีแจกถวายพระไตรปิฎกตามวัดต่างๆเท่านั้นนะมันยนถึงการให้ทานนะแก่จิตใจของตัวเองด้วยนะให้ทานให้ทำแก่จิตใจของตัวเองเนี่ย มันไม่ได้เกิดจากการไปซื้อหาอะไรมานะแต่มันเรื่องการปฏิบัตินะมันต้องปฏิบัตินะด้วยกายนะด้วยวาจาด้วยใจนะอันนั้นแหละถึงจะเกิดธรรมทานให้กับตัวเองได้ซึ่งรวมถึงการสอนใจตัวเองด้วยนะ นอกจากการฟังธรรมนะเปิดเทปเปิดซีดีหรือว่าดูยู u ูบนะอันนี้ก็เป็นธรรมทานอย่างหนึ่งสหรับใจของตัวแต่ว่ามันไม่พอนะแล้วก็ไม่ดีเท่ากการพยายามสอนใจตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าไอการฟังธรรมเนี่ยอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกต้องมีครูบาอาจารย์หรือไม่ก็ต้องมาวัดนะถึงจะได้ฟังธรรมนะถ้า หรือไม่ฉะนั้นก็ต้องมีซ d ดีมีเครื่องเล่นซ d ดีนะมีอินเทอร์เน็ตนะถึงจะได้ดู u t u b e นะที่เป็นการแสดงธรรมของครูบาอาจารย์ได้อันนั้นมันเฉพาะกิจเฉพาะครั้งหรือมีข้อจำกัดด้วยอุปกรณ์ด้วยเวลาแต่ถ้าเรารู้จักสอนใจตัวเองฝึกใจตัวเองอยู่เสมอเนี่ยมันทำได้ตลอดนะตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนไม่ว่าทำอะไรเนี่ยก็สามารถสอนใจตัวเองได้ เรานี่มีจิตมีใจแล้วเนี่ยนะใจของเราเนี่ยสามารถที่จะสอนได้ถ้าไม่สอนนี่ก็ใจของเราเนี่ก็จะกลายเป็นสัตว์ป่าหรือว่าจะกลายเป็นยักษ์มารก็ได้มนุษย์เราเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเวนัยสัตว์นะเวนัยสัตว์ก็คือสัตว์ที่ฝึกได้นะแล้วก็ฝึกได้อย่างยิ่งด้วยที่จริงสัตว์อื่นก็ฝึกได้เหมือนกันนะแม้แต่สัตว์ที่เราคิดว่างโง่ เมื่อสองาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะไปอบรมที่สุพรรณบุรีใกล้ๆเนี่ยในเบื้อนเดียวกันเลยนะมันเป็นหมู่บ้านควายนะชื่อแต่ว่าหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะเดี๋ยวนี้ควายนี่เป็นของหายากแล้วนะแต่ก่อนนี่เห็นได้ทั่วไปถ้ า, อ อ, าออกต่างจังหวัด น, นี่ก็จะเห็นควายตามท้องทุ่ง แต่เี๋นี้ควายเป็นของหายยากบนหลังข่าวนี้ไม่รู้ในนึงมีควายอยู่หรือเปล่าพจงเนี่ยมีแต่วัวนะหาควายยากแล้วเด็กไทยเดี๋ยวนี้นี่หลายคนเนี่ยจํานวนมากเนี่ยเห็นมีแพนด้าเป็นเป็นนะแต่ไม่เคยเห็นควายไทยเป็นเป็นเลยฮะทั้งที่มีแพนด้าอยู่ไกลนะถามว่าเคยมีแพนดา้าโอ้ยเด็กไทยหลายคนนี่บอกเคยเห็นแต่ถ้าเพาเคยเห็นควายไม่ไม่เคยนะ นั่นเดี๋ยวนี้เขาก็เลยมีนะการอนุรักษ์ควายไทยเนี่ยที่สุพรรณนี่ก็เขาก็ตั้งใจทํานะบางทีก็ไปซื้อควายมาจากตามาโรงเชื่อดโรงค่าสัตวนะ์หรือไม่ก็มีคนเอามามอบให้นะไปไถวัวไทยควายตัวอยเขาเน้ควา ย, ย, าวายก็เอามามอบให้กับหมู่บ้านนี้มีเป็นร้อยๆเลยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ส่วนหนึ่งเขาก็ไป ให้แจกจ่ายให้ชาวนาไปใช้ทำนาชาวนาที่ไม่ไม่ต้องการใช้เครื่องนะส่วนหนึ่งเขาก็มาฝึกนะมาฝึกโชว์ให้เราดูนักเรียนก็มาดูกันทุกวันเลยนะเพราะว่านักเรียนไม่เคยเห็นควายฝึกว่าให้ให้ควายเขามาอ่าไถนาให้ดูไถ่ายคราดให้ดูหรือบางทีก็ฝึกว่าเขาซ้อมนะ เขานวดข้าวกันอย่างไรนะแล้วก็ฝึกหลายอย่างนะแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับการทํานาบอกให้ควายยกขาหน้าขาขวามันก็รู้นะตรงไหนขวาซ้ายคนบางคนนี่ยังไม่รู้นะซ้ายขวาตรงไหนมือซ้ายมือขวานะแต่ควายนี่มันรู้นะเอายกขวาขาขวาใชมันก็ยกได้ถูกนะยกขาซ้ายใชมันก็ยกได้ถูกนะบอกให้มันนอนมันก็นอนนะ บอกให้มันแกล้งตายมันก็แกล้งตา ย, ยาจริงนะบอกให้ยิ้มเสมันก็ยิ้มนะควายนี่มันฝึกได้นะนี่ขนาดควายนะแล้วเราละ่ะซึ่งมีจิตใจเนี่ยนะแล้วจิตใจเรานี่มันก็มีความสามารถพิเศษด้วยยิ่งสามารถฝึกได้ใหญ่อที่ทุกเนี่ยนะที่กําลังกุ้มหมากุ้มใจที่วิตกกังวล น, นี่เพราะว่าเราไม่ได้ฝึก เราไม่ได้ฝึกใจหรือว่าเราฝึกทางตรงข้ามก็ฝึกฝึกใจให้เป็นคนขี้วิตกฝึกใจให้เป็นคนขี้โกรธนะอันนี้ก็เป็นการฝึกแบบึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้ตัวหรือว่าทำไปอ่าโดยที่ไม่เห็นโทษของมันแต่ว่าเราสามารถฝึกให้ตรงข้ามได้นะเวลามีความโกรธเกิดขึ้นนะเวลามีความกลุ่มหมอกุ้มใจนะ วิตกกังวลเราก็สามารถที่จะสอนใจของเราให้รู้จักปล่อยรู้จักวางการทําบุญให้กับใจของเราส่วนนี้คือการที่นะช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ไปจากใจนะเราต้องรู้จักสงสารใจเราบ้างนะว่าใจเรานี่มันแบกความทุกข์ไว้มากเหลือเกินใจเรานี่ถูกกิเลสเผารนมากเหลือเกินนะต้องรู้จักปลดเปลื้องบ้าง นะถ้าเราลักตัวเองรักใจของเราเนี่ยต้องนะใส่ใจในการปลดเปื้องความทุกข์ปลดเปื้องกิเลสออกไปจากใจของเราและถ้าเราฉลาดเนี่ยนะนอกจากการรู้จักป้องกัน ร, รักษาใจไม่ให้กิเลสครอบงำแล้วนะถึงเวลาเนี่ยเราก็ต้องรู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยนะ กิเลสนี่ถ้าเราใช้มันให้เป็นประโยชน์นี่มันก็มีอนิสงส์งนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราปล่อยให้กิเลสใช้เราเราไม่ค่อยได้รู้จักใช้กิเลสบ้างหลายคนก็สงสัยเนี่ใช้กิเลสได้อย่างไรนะกิเลสมันก็ถ้าใช้เป็นมีประโยชน์นะในสายพุทธกาสนี่มีมีคนยากจนเข็นใจคนหนึ่งนะแก หากินด้วยการรับจ้างไปวันๆก็เหนื่อยยากวันหนึ่งเห็นพระบินทบาทก็สนใจขึ้นมาว่าเออพระนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยแค่บินทบาทก็มีคนเอาอาหารมาให้ไม่เหนื่อยเลยนะก็เลยสนใจนะตอนหลังก็เลยมาบวชพระบวชพระเพราะว่ารักสบายไม่ต้องทํามาหากินให้ลําบาก ทีวานก็มีใส่ที่นอนก็มีแต่ว่าพอบวชผ้าไปแล้วมีวินัยมีข้อบังคับมีสิขาบทให้ต้องดูแลก็เกิดเบื่อขึ้นมาเกิดท้อขึ้นมาอยากจะสึกลืมบอกไปว่าตอนที่อใช้ยากจงเห็นใจนี่จะบวชเนี่ยก็ยังเสียดายเสื้อนะเสื้อแม้กระทั่งปูปากขานี่ก็ยังไม่ทิ้งนะ เอามาแขวนไว้ในป่าเพื่อว่าศึกหาลาเพศไปก็จะได้มีเสื้อใส่ขั้นคิดจะศึกเนี่ยก็จะไปไปเข้าไปในป่าและพอมองเห็นเสื้อปูป่าที่ตัวเองใส่เนี่ยก็ระลึกได้ถึงความยากลำบากสมัยที่เป็นโยมเป็นค า, า, ารวะไอความกระสันจะศึกก็หายไป ก็เปลี่ยนใจนะออกมาจากป่าแล้วก็ก็อยู่ต่อพออยากจะศึกทีไรก็จะเข้าไปในป่าแล้วก็ไปพิจารณาจากเสื้อนั้นไม่อยากลำบากเหมือนเป็นตอนเป็นคารวาะก็เลยไม่ศึกนะทาอยู่หลายครั้งจนกระทั่งภายหลังก็ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็บรรลุธรรมจากก่อนเนี่ยตอนที่เข้าไปในป่าเนี่ยออกมาเนี่ย เพื่อนพระก็จะถามว่าไปทําอะไรท่านก็จะบอกว่าไปหาอาจารย์นะตอนหลังพระบรรลุธรรมแล้วเนี่ยเพื่อนพระก็ทักว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไปหาอาจารย์เหรอท่านก็ตอบว่าเราไม่ต้องการอาจารย์ล้วไม่เกี่ยวข้องกับอาจารย์แล้วพระก็เลยเพื่อนพระก็เลยถาว่าท่านอวดอุตรินะ อ้างว่าบรุษทำแล้วไปฟ้องพุทเจ้าพู้เจ้าก็เลยเรียกตัวมาถามท่านก็เลอธิบายว่าอธิบายอย่างที่เล่ามานี่แหละพุทเจ้าก็เลยสารเสริญนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยบุคคลเนี่ยต้องหมั่นเตือนตนด้วยตนต้องมีสติรักษาตนแล้วพู้เจ้าก็ตัดว่าอัตเิอัตโนนาโธนะบุคคลเนี่ยต้องมีตนเป็นที่พึ่ง แล้วพวกเรานี่ก็ต้องนะหมั่นเตือนตนนะหมั่นเตือนตนหมั่นรักษาตนด้วยการดูแลจิตใจให้ดีทำใจให้เป็นบุญนะอ่ะแล้วก็พอสมควรละเดี๋ยวญาติโยมพ่อแม่ก็จะลาศีนอ่ะเชิญได้เลย